ยติกรรมวาจาท่านทั้งหลายขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าอันท่านพระเรวตตถามพระวินัยจะได้ตอบต่อไป